เป็นความริสุทธิ์เช่นการอุบัติขึ้นของพระเจ้าพ่องโดยพระธรรมคำสอนเป็นไปเพื่ออนุสาสนพภูรลาทรงสั่งสอนเรื่องกายทึงจิตของคนไม่ใช่เรื่องพิธีรีตองออกไปจากกายจากใจเลยเราจะมารวมกันมาดูพะูรลาอนุสาสนีคือมาเห็นกายเห็นลูกมันเป็นยังไงพิสูจน์ดูหรือว่าศาสตร์เหมือนเราเป็นนักพิาศาสตร์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 บอกว่าถ้าหายใจไม่ออกผมจะเอาเตียนนี่ไปพรมไหว้หน้าให้หลวง<ม>พ่อหายใจถ้าหายใจไม่ได้ผมก็จะเอาท่อนี่สอดเข้าไปในปาดพ่พอเขาพูดจากนั้นก็หายใจไม่เลยเยียบไปเลยศาสตร์ที่มันสําเร็จตาช่วยเราที่ไม่มีทางรอดได้หายใจไม่ได้แล้วก็เกินมาได้ศาสตรแห่งอุปติเทพหรือบริสุทธิเทพเกิดจาก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 ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนอยู่ทั่วประเทศมารวมกันในวันหลังกั น, นตัดสลูกมารวมพลังกันสีน่สิบนหลังจากที่พวกเราได้ออกเผยแพร่ทำทั่วทั่วไปตามตินที่ต่างๆ ต, ตั้งแต่เดือนธันวาพิกจิกาธันวามาเข้ามาจบลงวันสองวันนี้เราทำวิสาขะที่วัดของตนของตนกมารวมกันที่นี่เพื่อเฉลิมในจิตการอันนี้ประกาศ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 ปลุกขยโวทันเวลาวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งจังหวะที่เราสร้างส4 5จห้าจังหวะลู่วินาทีและทุกวินาทีเราลู้เราลู้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูวิสว์ดูวิทยาศาสตร์มันจะลูจยิงไหมมันเห็นอะไรตัวลู้เนี่ยประจบกับอะไรประจบกับอะไรที่มันเกิดตัวลู้ขึ้นมาประสบกับการประกอบการทำให้มี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 คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัตังรู้ได้ด้วยตนเองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หลอกไม่ใช่คิดเห็นพบเห็นการพบเห็นไม่มีคำถามเหมือนเรามาพบเห็นสุโกโตหอไใเป็นอย่างนี้แล้วมีคำถามใครไหอหตวใเป็นไงไม่มีคำถามเราตอบเองโอเป็นอย่างนี้หอไตจสละไก่เป็นอย่างนี้สลาหน้าเป็นอย่างนี้สละจมหน้าเป็นอย่างนี้สานักงานเป็นอย่างนี้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 ในกายในใจตัวเองรู้แล้วเห็นด้วยใจิจใ่ใจตามเห็นด้วยรูปไม่เที่ยงโอ้เห็นด้วยเป็นาไม่เที่ยงเห็นด้วยสยวยวัญญาไม่เที่ยงเห็นด้วยสังขารไม่เที่ยงเห็นด้วยวิญญาณไม่เที่ยงรูปปางกนะดิจังรูปไม่ใช่ตัวตนเป็นจักว่ากายเป็นนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนรู้แล้วมีไหมสิ่งเหล่านี้กับเรารูปคืออะไรรูปคือกาย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 จะมาถวายร้องตายไม่เอาจากใต้คนนะ่ช่วงสี่สิบวันนี้เน่เราพอใจที่เห็นพวกเรามานั่งอยู่ที่นี่ทั้งว่าสององเจ้าชื่อใหญ่เป็นขั้งเดียวเท่านี้สุกโตนะตั้งมาแล้วสามสิบสี่สิบปีเพิ่งมีขั้งนี้ต้อง น, นึกว่าจะไม่มีใครมาวางเ่อนกับพระที่นี้ถ้าสุกโตไม่มีคนมาทำาไงพวกเรา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 เราชิดแต่ช่วยแต่คนอื่นแต่เราไม่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีมีคนซื้อรถให้บนทวีตอนนอนป่วยโรงพยาบาลเอารถมาให้กันหนึ่งเอาไว้ล่องตาไม่เอาดอกล่องตาคงไม่รอดแล้วคงตาอยู่แล้วเอารับไวเ้เถอะทั้งสามีปัญญาตั้งใจมาแล้วหมดครอบครัวแล้วมาหม้อไปล่ลงตาสองคันคันหนึ่งเป็นรถเข็น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 เราไปกลัวตกอกตกใจเป็นเพื่อนกับมูใช่ ไ, ไหมไปว่ากลัวกันตัวจันอย่าไปกลัวขวงกลัวไปทุกนะตามใจสบายสบายเขาทําให้กลัวก็จะไปกลัวเลยสบายสบายเอาหมดมันกัดเลยมันกัดก็ลักหมด่อยเจ้าหมดเด๋ยพูดกัหมดตัวเจ้าก็เล็กนิดเดียวหนออเอาเรานี่ยกะถ้าจะฆ่าเจ้าเราฆ่าไปตายเป็นหมื่นหมื่นพันพันเราไม่ฆ่าเจ้านาะ